ใครรู้สึกว่าการภาวนา ง, ง่ายบ้างหมอโวนหมอโวนบอกโอ้มันธรรมดา <c oughs> แต่ก่อนจะเข้าใจคำว่าธรรมดานะลึกแคลงมาสารพัดเลยในใจลึกๆของพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายมันอดคิดไม่ได้นะว่าทำยังไงแล้วจะดี ทำยังไงเนาะมันจะหลุดพ้นหไวหยได้มรรคผลนะใจในใจมีคิดควาว่าทำขึ้นมาคาว่าทำกับควาว่ารู้มันไม่เหมือนกันนะเราทนไม่ได้หรอกที่จะเป็นผู้รู้รู้เฉยๆจะได้อะไรนี่ชอบคิดอย่างนี้นะขนาดทำยังไม่ได้เลย <laughs> แต่ก่อนจะมาเป็นผู้รู้ได้ก็ต้องทำมาก่อนใช่ ถ้าอยู่ๆไม่ทําอะไรเลยะแล้วก็อยู่ๆก็รู้ขึ้นมาเลยเป็นไปไม่ได้เนี่ยก่อนที่จะเข้ามาสู่ภาวะรู้ตามธรรมชาติธรรมดาได้นะมันผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกมาแล้วทุกคนเนะี่ะเราก็จะลองไปเรื่อยคําว่าลองผิดลองถูกนะีเป็นคําที่ผิดนะที่จริงต้องลองผิดลองผิดลองผิดมาเรื่อยไม่มีลองถูก อาศัยลองผิดไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดนะพอหยุดพอดีนะพอหยุดเลยไม่ได้ทำอะไรแนละ้วพอดีเป๊ะเลยสิ่งที่ผิดนะดูว่ามากมายเอาเข้าจริงๆมีสองกลุ่มเท่านั้นเองกลุ่มหลงโลกหลงตามกิเลสหลงตามอารมณ์เลินไปเผลอไปนะตามกิเลสไปตามใจตัวเองหาความสุขความเพลิดเพลินไปในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย อีพวกหนึ่งก็บังคับตัวเองสุดตรงในข้างบังคับพวกหนึ่งสุดโต่งในข้างตามใจกิเลสพวกหนึ่งสุดตรงข้างบังคับตัวเองที่ผิดมีสองอันเท่านั้นแหละนะถ้าไม่เผลอไปแล้วก็ไม่ได้เพ่งไว้มันก็รู้พอดีพอดีแต่ก่อนที่จะรู้พอดีได้ส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มด้วยการเพ่งไว้ก่อนนใจของเราโดยธรรมชาติมันเผลอตลอดเวลาไม่มีใครรู้สึกตัวหรอกในโลกมันหลง ลืมกายลืมใจลืมไปได้สารพัดตลอดเวลาเรามาหัดรู้พอรู้ปุ๊บพอรู้หัดรู้ว่าหลงนะจะรีบมาเพ่งเลยโดยอัตโนมัตินะงั้นจะกลายเป็นสามสเต็เปเผลอไปแล้วก็รู้ว่าเผลอถัดอย่างรู้ว่าเผลอคือเพ่งห้ามมันไม่ได้หรอกใจมันเคยชินอย่างน้นมันคิดว่าต้องเพ่งไว้ต้องบังคับไว้จะได้รู้ได้ชัดๆจะได้ดี ก็อาศัยลองผิดอย่างนั้นแะอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดนะหลวงพ่อเป็นนักรองผิดทุกวันนี้เวลาสอนกรรมฐานนะพูดจาองอาจกล้าหารอย่างนี้ก็ผิดอย่างนี้ก็ผิดนะเพราะเราลองผิดมาแล้วอที่ญาติโยมทั้งหลายทำมาแล้วที่หลวงพ่อไม่เคยทำนะมีน้อยไม่ค่อยมีไม่ก็ได้ยินอะกรรมฐานอะไรแปลกประหลาดอะไรเงี้ยน้อยมากเลยที่ไม่เคยลองนะ งั้นได้ที่พวกเราทําพวกเราทําหน้าหลวงพ่อลองมาแล้วส่วนใหญ่นะกระสินก็เคยเล่นอ ะ, อะไรก็เล่นมาซ้าละพัดเลยทำยังไงจะดีทํำยังไงจะดีคิดอยู่างเงี้ยนะในที่สุดก็พบว่ามีแต่ลองผิดแล้วก็ลองผิดแล้วก็ลองผิดพอรู้ที่ผิดนะไม่ไปทําผิดนะ่ะไม่ทําผิดก็ถูกเองแหละถ้าเมื่อไหร่อยากให้ถูกแนละ้วมันั้นหาไม่เจอนะงั้นอาศัยการรู้ จิตใจมันหลงไปก็รู้จิตใจไปเพ่งไว้ก็รู้นะคอยรู้ไปเรื่อยรู้ที่ผิดนะแล้วมันถูกของมันเองแต่ก่อนจะถูกเองนะมันต้องสู้กันสาหัสสักกันมอโอดฝึกนานเท่าไหร่เป็นปีแล้วเนาะเป็นปีแล้วหัดรู้สึกตัวนะแค่รู้สึกตัวใจมันตื่นขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อใจมันตื่นอย่างแท้จริงแล้วมันเดินปัญญาได้จริง เต้ใจมันตื่นนะก็จะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เรานะความรู้สึกสุขทุกข์ในกายความรู้สึกสุขทุกข์ในจิตก็ไม่ใช่เรานะกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตก็ไม่ใช่เราตัวจิตเองก็เกิดดับไปเร่ไม่ใช่เรานะเนี่ยเมื่อจิตมันตื่นแนละ้วจิตเข้าสู่ความรู้ตัวที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วสามารถเดินปัญญาได้จริง จะปล่อยให้ขันนั้นทํางานไปใจเป็นแค่คนดูไปธรรมดาไม่ได้คิดว่าจะต้องรู้อะไรหรอกมันรู้ของมันเองสติสมาธิปัญญานะเมื่อเราฝึกไปให้แก่รอบจริงนะมันทํางานเองสติก็ระลึกเองนะสมาธิใจก็ตั้งมั่นเองไม่ได้ประคองไว้ปัญญาก็เดินเองเห็นธาตุเห็ น, หนขันมันแยกออกไปแต่ละธาตุแต่ละขันทํางานเองไม่ใช่เรานาี่ภาวนามันต้องให้ได้อย่างนี้ ภาวนาอย่างเชื่อด้วยความจงใจจงใจให้มีสติจงใจให้ตั้งมั่นจงใจเดินปัญญาอันนั้นเป็นเบื้องต้นก็จําเป็นเหมือนกันแต่ว่าฝึกซ้อมจนชมนี้ชํานาญพอนะสติก็อัตโนมัตินะสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติลงธรรมะภาวนามาจนถึงขั้นอัตโนมัติเนี่ยนะจิตมันจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้ละพวกเราชอบพูดคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นไม่สักหรอก มีแต่ทำทั้งนั้นเลยไม่สักว่ารู้ว่าเห็นจริงอาศัยทําผิดไปนะนะั้นแล้วเรียนรู้ไปด้วยวันหนึ่งสติสมาธิปัญญามันอัตโนมัตินะเพราะนั่นละของจริงนะ่ะเพราะมันอัตโนมัติไม่ไม่เจือด้วยโลภะไม่เจือด้วยโลภะเจตนาความจงใจที่เจือด้วยความโลภพว ก, กเราเบื้องต้นห้ามไม่ได้หรอกที่จะมีโลภะเจตนามีไหมเบื้องต้นก็คิดอยากจะปฏิบัติเห็นไหม อยากปฏิบัติพอลงมือปฏิบัติอยากให้ผลเร็วๆนี่นะเนี่ยภาวนามาสมวันแล้วคงใกล้แล้วเจวันพระพุทธเจ้าว่า7วันเจเดือน7ปีเนี่ยสวันก็ใกล้เจวันแล้วพอถึงหวันก็พรุ่งนี้และพอถึงเจวันเอ๊ะ7วันไม่ได้คงจะอรอเจเดือนเนี่ยรอไปได้7เ็ดเดือนไม่ได้รอเจปีเจปีไม่ได้เลิกดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนของไม่จริงะนะ ทำไม่ได้จริงมันธรรมะทำไม่สมควรกับธรรมะนะทำเหยาะเยาะแยะแยะไม่ได้กินหรอกนะถ้าฝึกให้ดีนะมีสติไปเรื่อยๆเลยฝึกไปเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาใจไหลไปแล้วก็รู้ทันนะถึงเวลาก็ทำความสงบทำในรูปแบบทุกวันต้องมีวินัยในตัวเองต้องปฏิบัติในรูปแบบถ้าอยากได้มากผลในชีวิตนี้นะถ้าต้องการแค่เป็นปัจจัยคุ้นเคยที่จะเจริญสติจเจริญปัญญาไปชาติหน้า ก็ทำอยู่ในชีวิตประจำวันเท่านี้แหละพอเหลือเฟือแล้วะแต่ถ้าอยากได้มากผลในชีวิตนี้นะต้องทําในรูปแบบด้วยใจถึงจะมีแรงพอไม่งั้นไม่มีแรงคนมาหัดใหม่ๆหลวงพ่อยังไม่พูดเรื่องทําในรูปแบบได้ยินแล้วกลัวหรือไม่ได้ยินแล้วก็ไปนั่งเพ่งเอานะยิ่งเครียดหนักกว่าเก่ายิ่งแย่กว่าเก่าอีกหลวงพ่อจะเริ่มให้หัดดูสภาวะเวลาสอนนะหัดรู้สภาวะไปในสุดเห็นสภาวะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนะเห็นอยู่พักหนึ่งนะโอ้ใจมันตื่นขึ้นมานะ เลยรู้เลยโอ้โหธรรมะนี่ของจริงมีจริงๆนะความทุกข์สั้นลงความทุกข์น้อยลงความทุกข์สั้นลงนะใจไม่เคยรู้สึกตัวก็รู้สึกได้ใจไม่เคยตั้งมั่นก็ตั้งมั่นได้นะไม่เคยเห็นความจริงของกายไม่เคยเห็นความจริงของใจก็เห็นได้ขึ้นมานี่หลวงพ่อจะหัดตรงนี้ก่อนนะพอเราเริ่มเห็นผลแล้วเราเริ่มเชื่อมั่นแล้วว่าธรรมะมีของจริงถ้าเราฝึกไปละ ว, วันหนึ่งเราพ้นทุกข์ได้จริงๆนะพอใจเราเชื่อตรงนี้หลวงพ่อก็จะชวนมันเกิดศรัทธาแล้วใช่ไหม เรายั่วให้มีปัญญาก่อนนะให้หัดดูสภาวะไปจนเกิดปัญญาแล้วเห็นจริงแล้วใจเราเปลี่ยนนะมาส่งกันบ้านเห็นไหมมีแต่คนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ย น, ย น, ย น, ยนดีขึ้นดีขึ้นเนะเกิดศรัทธาแล้วคราวนี้พอมีศรัทธาแล้วคราวนี้เราก็ชวนนะมาทําในรูปแบบนะหรือเพิ่มวิริยะขึ้นพอมีวิรยิยะมีความเพียร น, นะแต่ไม่ใช่เพียรแบบงมโงงนะถ้าไม่มีการเรียนรู้สภาวะมาก่อนนี่เวลาเพียรจะเพียรงมงงรู้จักโง่ไหม โฮเป็นชื่อของหอยนะโงจะศูนย์พันไปแล้วมั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะเรียกงมอะไรนะนี่ไม่ได้ว่าใครนะ <c oughs> เราพูดซื่อๆหรอกอทีคนมาหาเรื่องว่าเราว่าคนนู้นคนนี้โอ้ไม่รู้หลักภาวนาก็ผิดสิเพราะนั้นหลวงพ่อจะสอนหลักก่อนนะถูกไหมวิธีสอนหลักก่อนถูกเป๊ะเลยหรือไม่มันคือคําว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะก่อนจะลงมือปฏิบัตินะต้องเรียนหลักของการปฏิบัติก่อน นั้นเราหัดรู้สภาวะนะรู้ด้วยความเป็นกลางนะฝึกยังไงให้เกิดสติฝึกยังไงให้เกิดสมาธิวิธีเดินปัญญานั้นเดินยังไงนี่หลวงพ่อจะสอนสิ่งเหล่านี้ก่อนพอรู้หลักนะเราไปลงมือทําอยู่ใช้เวลาไม่นานเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเคยทุกมากก็ทุกน้อยเคยทุกนานก็ทุกสั้นลงนะเคยกิเลสน้อยๆก็กิเลสเยอะเยะเห็นทั้งวันเลยกิเลสนึกว่าเราเป็นคนดีภาวนาเข้ามาเรียนกับหลวงพ่อประมว่รู้เลย ไข่ที่เร็วที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะนี่มันมีกิเลสทั้งวันมีกิเลสทั้งคืนนี่ภาวนามาเห็นอย่างนี้พอรู้ทันกิเลสนะกิเลสครอบงําจิตไม่ได้นะจิตสบายจิตเป็นสุขขึ้นมาแล้วก็สัมมาดีนะภาวนาแล้วมีความสุขมีความสงบขึ้นมานี่เราเกิดศรัทธาแล้วเห็นไหมอาศัยการเรียนการฟังนะแล้วก็มาหัดรู้สภาวะไป เกิดศรัทธาแล้วพอศรัทธาแล้วก็มีความเพียรได้คราวนี้ไม่ได้เพียรเพียรแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเพียรแบบมีหลักเพราะเราเรียนหลักไว้แล้วก่อนจะปฏิบัติถึงต้องเรียนปริยักษเงี้ยนะแต่ไม่ถึงขนาดต้องเรียนเป็นมหาป ร, รียอะไรหรอกนะมากไปนะเราะั้นเราเรียนให้รู้หลักเท่านั้นแหละวิธีเจริญสมาธิทำยังไงวิธีให้เกิดสติทำยังไง นะวิธีให้มีปัญญาทำยังไงทั้งหมดต้องมีศีลเป็นพื้นฐานจะสอนวนเวียนอยู่ในเรื่องไตรสิกขาทั้งนั้นเลยศีลสมาธิปัญญานะเราจับหลักแม่นมีศรัทธาขึ้นมาแล้วมาลงมือทำภาคเพียรเข้านั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปไหว้พระสวดมนต์ไปเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจำวันนะ ลำพังเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วไม่ทำในรูปแบบเนียไม่มีแรงพอทำได้พักเดียวเดี๋ยวก็หมดแรงแล้วก็ปแป้ๆไปเรื่อย แ, แล้วก็รู้สึกว่าเจดวันก็ไม่ได้เจ็ดเดือนก็ไม่ได้เจ็ดปีก็ไม่ได้ต่อให้ด้วยเจดชาติก็ไม่ได้นะฮะงั้นต้องอดทนนะค่อยๆ ย, ย, ยกระดับจิตใจของเราขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นภาวนามีรูปมีแบบของการปฏิบัตินะนั่งสมาธิเดินจงกรม แต่นั่งสมาธิด้วยความรู้สึกตัวเดินจงกรมด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วเคลิ้มเคลิ้มหรือเครียดเครียดเดินแบบเคร่งเครียดไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช้มไม่ได้นะไม่เผลอไม่เพ่งเวลานั่งสมาธินะไม่เผลอไปไม่เพ่ง เ, เอาไว้นะเดินจงกรมก็ไม่เผลอไม่เพ่งนะเรียนหลักของมาแล้วฝึกไปเรื่อยทุกวันทุกวันนะมีรูปแบบไอ้หลวงพ่อไม่เรียกร้องมากหลวงพ่อเรียกร้องการทําในรูปแบบขอ10นาทีเท่านั้นเห็นไหมเรียกร้องน้อยเห็นไหม มักน้อยสันโดดเห็นไหมไม่ได้เคยบอกเลยนะโยมวันแรกนะเอามันสมชั่วโมงก็พอยโยมพรุ่งนี้สี่ชั่วโมงนะมาลืนห้าชั่วโมงมันได้ยินึันหนีออกจากวัดแล้วไม่เอา <c oughs> เพราะอะไรศรัทธายังไม่มีที่จะทำนะแต่พอเรามาหัดใช่ไหมเราเราจิตใจเราเริ่มเปลี่ยนแล้วเรามาทำในรูปแบบวันหนึ่ง10นาที10นาทีเรารู้สึกพอทนไม่ทรมานใจใช่ไหม ภาวนาไปดูกายดูใจดูกายดูใจใจจิตสงบจิตมีความสุขจิตตั้งมัน่นว่าพรุ่งนี้อยากทํา15นาทีแล้วอยากเองอะนะต่อไปมันก็อัปเกรดตัวเองนะทำได้ครึ่งชั่วโมงทําได้ชั่วโมงแล้วแต่เวลานะหมดเวลาแล้วเวลาที่เหลือนะั่นเจริญสติในชีวิตประจําวันไปนั้นทําความสงบเข้ามาจเจริญสติไปทําความสงบเข้ามาจเจริญสติไปเนีวนเวียนไปอย่างนี้นะวันหนึ่งมากคล น, นิพพานต้องมาหาเราแนะ่นอนเลยเราไม่ต้องไปหามันหรอกหาอย่างไงก็ไม่เจอนะ แต่เราทําเหตุนะทําความสงบมาทําในรูปแบบนี้แหละใจก็ไม่ฟุ้งไปที่อื่นนะถึงเวลาแทนที่ไปดูละครน้ําเน่าน้ําเสียอะไรก็ามาภาวนาเสียเวลาเปล่ า, ลานะหดเวลาเขาจเจริญสติในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวันฝึกอย่างนีนะ้แล้วอันหนึ่งมางคลจะมาหาเองไม่ต้องไปเชิญไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปอ้อนวอนบางคนจะทํากรรมฐานต้องอ้อนวอนนะส่วนใหญ่เลยเชิญอะไรนะปีติทั้ง5เชิญโน่นเชิญนี่มันไม่มาหรอก นะเชิญมันไม่มาหรอกนะภาวนาเข้าแล้วมันมาเองนะพอไหวไหมอย่างนี้มีข่าวหนึ่งนะเมื่อสักเดือนสองเดือนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเนี่ยหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิเดินจงกรมมาละ10นาทีวันแรกหนูเอาชั่วโมงหนึ่งเลยค่ะวันที่สองนะคะเราก็นึกชั่วโมงครึ่ง45นาทีอ๋อคงจะมีทุระวันที่สมนะคะครึ่งชั่วโมงเราชักเอะใจแล้ว แล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ไม่ได้ทำแนละ้วเพราะอะไรเริ่มเอาเยอะๆนะเครียดใช่ไหมเครียดนะโอ๊ยทรมานไปเครียดเข็ดตัวสนะิแต่ถ้าเริ่มน้อยๆนะมีความสุขนะภานาแล้วมีความสุขนะมันจะอัพเกรดตัวเองขึ้นไปนะทุกวันนี้เราเครียดเต็มประดาอยู่แล้วพอนาอย่าให้เครียดพอนาให้มันมีความสุขมันยกระดับตัวเองขึ้นไปได้นะต่อไปนะมีสมาธิได้ทั้งวันเออแปลกไหมสมาธิมีทั้งวันนะสติมีทั้งวันนะ กะทั่งนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตัวทั้งคืนเลยอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตรู้สึกได้ทั้งวันทั้งคืนนะั่ฝึกไปเรื่อยมัจนอัตโนมัติขึ้นมาวันนี้เทศทอสมควรแล้วจะกลับบ้านยังอ่ะสบกันบ้านเชิญ ม, มีแรงมากขึ้นค่ะหลวงพ่อแต่ว่ายังมัวมวยอยู่หลวงพ่ออนะหลวงพอมีแรงเยอะขึ้นช่วงนี้มีมีมัวมัวถูกต้องแล้วทําไมเป็นกลางไหม ยังไม่เป็นค่ะถูกต้อง <abilities happening? S 1> ตัวสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเป็นยังไงอันแรกเลยมันเป็นยังไงต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะจิตของเราเป็นยังไงต้องรู้ว่าเป็นองั้นจิตยินดีจิตยินร้ายจิตไม่เป็นกลางต้องรู้ทันงั้นไม่ว่ารู้สภาวะอะไรนะสุดท้ายต้องมารู้ทันจิตเช่นปิติเกิดขึ้นแล้วจิตยินดีพอใจไม่ใช่รู้แค่ปิตินะรู้ลงมาถึงเลยจิตมันพอใจแล้ว ความสุขเกิดขึ้นจิตมันพอใจแล้วความสุขหายไปจิตมันไม่พอใจแล้วเนี่ยรู้เข้ามาให้ถึงจิตเนี่ยนะถึงจะเรียกว่านักดูจิตไม่ใช่นักเพ่งจิตนะบังคับจิตนิ่งๆทื่อๆซึ้บื้อใช้ไม่ได้อ่ะการณ์ต้นนะครับพอจับไม้ปั๊บเห็นเลยครับความตื่นเต้นแล้วก็กดด้วยครับหลวงพ่อเออดีครับผมแล้วเวลาไม่จับไม้จิตตั้งมั่นไหมเออบางครั้งตั้งมั่นบางครั้งไม่ตั้งมั่นครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับเวลาผมเดินผมรู้สึกว่าเวลาผมเดินเนี่ยมันจิต เห็นต่อเนื่องมากกว่าผมรู้สึกว่าจิตผมอยู่บนบนนะฮะจ๊ะหลวงพอ่อแล้วก็ได้เห็นดูเห็นกายเดินได้ไดอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพอ่อถูกแต่ต้องระวังอันหนึ่งอย่าประคองตัวนี้ไว้อถ้าประคองตัวนี้เราเดินอย่างนี้ทั้งวันนะไม่ได้เรื่องอนะแล้วท่านเปไงครับหลวงพอ่อแค่แค่มีตัวนี้อยู่<อ>เห็นร่างกายมันเดินเดินไปใจโลง่ลงๆใจสบายๆครับนะไม่ประคองตัวผู้รู้นะครับแต่พอเวลานั่งเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผู้รู้จะอยู่ใกล้ๆตุกใกล้ๆกายอย่างนี้ก็เดินครับเดินนั่นเดินก็เดินเอา ยังมีแรงเดินก็เดินไปเนี่ยแก่แล้วเดินไม่ไหวก็อยากจะเดินอย่างเงี้ยลำบากครับหลวงพ่อเราเห็นความโลภเยอะมากหลวงพ่อแค่ตอนตักอาหารแบบนี้นะครับหลวงพ่อครับพอตักอาหารเนี่ยมันเห็นความอยากก็อยากกินพอเสร็จปั๊บพอความอยากมันหายไปปั๊บอาหารมันเลื่อนไปปั๊บมันรู้สึกเสียดา ย, ยาเสียดายก็มีความรู้สึกความคิดใหม่ๆก็เลดี๋ยวมาใหม่อะไรเงี้ยครับเสียดายเป็นโทสะครับนะอยากได้เนี่ยเป็นโลภเพราะมันไปแล้วเสียดายเสียดายเป็นโทสะนะให้รู้ทันแล้วถัดจากนั้นมีโมหะ คิดว่ามันจะมาอีกครับใช่มาครบครบสถามยากเลยโมหายัางไงฟุ้งซ่านคิดไปอนาคตแล้ว<ช>ลืมปัจจุบันบใช่ั้ยเป็นโมหะครับดีแค่คตักอาหารจานเดียวนี่แหละเห็น3ามกิเลสละครั บ, รบแลว้วเมื่อคืนนี้ผมเดินมาที่รานรยังตอนมืดมึดพอเดินมาเสร็จปั๊บเดินก็เดินดูกกายขึ้นไหวมาน่นแต่พอเสร็จปั๊บมันมันก็มันตาไปกระทบรูก เมื่อเกิดปุงแต่งคิดเลยครับพอคิดแต่ป้าเห็นความกลัวอพอเห็นความกลัวพอความกลัวหายไปพอเห็นกลับไปดูที่รูปใหม่รูปมันก็กลับโอเคกลับหายไปฮรัหลวงพ่อครับ อ, อย่างนี้นะครับวิธีการดูอย่างนี้ถูกต้องไหมครับหลวงพออ่อครับยิ่งเจอผีนะนี่ให้เดินเข้าไปดูแลจะรู้ว่าที่แท้คแค่ต่อไม้ใช่ครับอย่างนั้นเลยครับเ <laughs> <laughs> มื่อคืยจะอย่างนี้เลยครับที่แท้พอต่อไม้ปรับใจัยก็โล่งแล้วก็เดินต่อฮร <laughs> หลวงพ่อก็ว่างกันแล้วไปเห็นต่อไม้เป็นผีครับผม<อ>หลวงพราหลวงพ่อมีอะไรแนะนํำไหมครับไปทําบ่อยๆครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะก็คือใจเนี่ยไม่ถึงฐานจริงดูออกปนะ่ะกระจายกว้างๆออกไปถ้าใจกระจายกว้างๆนะจะมีความสุขแต่ไม่เดินปัญญาจริงหรอกนะเพราะงั้นทวนกระแสเข้ามาคอยรู้สึกกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูใจเป็นคนดูเนี่ยประคองตัวดูด้วยนะฝึกบ่อยๆอ ครับกล่าวนามสกัญญหลวงพ่อครับก็ลองภาวนาในรูปแบบนานๆเนี่ยครับนี่เคยเรีกับหลวงพ่อใช่ไหมเรียนมากับหลวงพ่อมาก่อนแล้วใช่ไหมเคยเคยเรียนนานแล้วใช่ไหมนานแล้วครับนายไม่เคยส่งกันบ้านเป็นทางการเออหน้าตาแปลกไปจำไม่ได้ก็รู้ว่ามันมีการจงใจฮะก็เลยรู้ไม่เป็นธรรมชาติรู้ไหมรู้สึกไหมจิตมันนี้กับจิตแต่ก่อนเนี่ยต่างกันเยอะเยอะ เยอะครับมันเหมือนกับเฉยๆฮะแต่ผมสงสัยอย่างนึงว่าที่มันไม่เอาเรื่องเอาความเนี่ยมันเป็นเพราะขี้เกียจหรือว่าใจมันถอนตัวออกมามันถอนตัวออกมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะแต่ว่าพอมันถอนตัวออกมาอย่างเงี้ยอย่าประคองประคองอยู่ดูออกไหมอย่าประคองปล่อยให้มันทํางานให้เป็นธรรมชาติไปเลยนะงั้นการที่จิตมันถอดถอนตัวเองออกจากอารมณ์เนี่ยดีแล้วจิตกับอารมณ์เนี่แยกกันล้ จะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตยอยู่ส่วนหนึ่งเห็ <c oughs> นไหมอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะหมายถึงที่ผ่านมาเฮ้ยมันยิ่งเพ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆแล้วะ <c oughs> อย่าไปเพ่งไว้นะปล่อยผ่อนคลายไว้ผ่อนคลายนะไปฝึกต่อนะที่ฝึกอยู่นาะดีระวังอันเดียวอย่าไปประคองตัวผู้รู้ไว้นึกออกไหมคำ ว, ว่าไปประคองตัวผู้รู้นึกออกครับนะอย่าไปทําตัวนั้นนี่ก็ดีเหมือนกันกราบนมัสการครับนะรรพ่อ ก็เท่าที่ทําดูก็รู้ตัวว่าเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เ พ, เพล่งครับดีสังเกตไหมเราไม่เหมือนเดิมครับรู้สึกไมไมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆครับแต่ก็จะจะเผลอบ่อยครับอเออเผลอบ่อยอะ่ะแสดงว่าตื่นบ่อยแต่ <มะ S 1> ก่อนหนะ้าเผลอปร ะ, ะครั้งไม่เคยตื่นเลยพอนะเรามาหัดเจริญสติหนะ้เผลอเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้มีสมการนะเผลอเนี่ยเท่ากับรู้บวกหนึ่งมีสมการ นี่นเราเผลอไปแล้วเรารู้สึกเนี่ยเดี๋ยวก็เผลออีกมีเผลอสองทีมีรู้ขั้นเนี่ยเผลออีกดูไปเรื่อยดูทั้งวัน <Okay. S 1> ดี <Okay. S 1> แต่ว่าเราไม่ได้ให้รู้ตัวอยู่เฉยๆแค่นี้ถัดจากนี้เราต้องคอยเดินปัญญานะดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นอยู่อย่างนี้แหละใจเป็นคนดูเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดมันเห็นว่าไม่มีเราเลยในกายในใจนี้นะฝึกไปเรื่อยนะภาวานามาได้ดีแล้ว บ, บ้านอยู่ไหนล่ะอ ย, อยู่กรุงเทพครับเ อ, อใช้ได้อยู่นี่ก็ดีขึ้นเยอะเลยเหมือนติดเพ่งอ่ะยังเพ่งอยู่ดูออกเปล่า อ, อ้าวต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญเบอร์สิบสามนรการพระอาจารย์ครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกตื่ น, ตนเต้นครับแล้วก็ในใจรู้สึกมีน้นำหนักอยู่ครับ ม, มีอะไรนะมีน้ำหนักครับ อ, อ๋อ ก็ดีนะมีน้ำหนักก็เราไปเพ่งเอาไว้ไปบังคับไปควบคุมมันถ้าตื่นเต้นให้ใจมันตื่นเต้นใจเป็นคนดูไม่มีน้ำหนักใจแอบไปคิดเราก็รู้ว่าใจไหลไปคิดนะรู้สภาวะโลกปัจจุบันไปทําในรูปแบบบ้างบ้างนะทำบ้างครับนะทํำบ่อยๆนะทําทุกวันไม่ต้องมากอะ่ะเราสักสิบนาทีก็พอครับท <ำ S 2> นะําทุกวันนะผมขอาการนิดนึงครับผมก็ช่วงหลังรู้สึกสภาวะที่ ที่รู้มันค่อนข้างจะซ้ําไปซ้ํามาก็เลยไม่แน่ใจว่าไปติดไปข้องอะไรที่ไหนมันซ้ํำยังไงมันมันซ้ํำยังไงเหรออบางทีมันก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรนะครับมันก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นแหละดีนะถ้ารู้ว่ารู้อะไรเนี่ยมันเจือด้วยสมมติบัญญัติลงไปและเวลาที่จิตมันรู้จริงๆนะม่เห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาไหวๆขึ้นมานะไม่รู้ว่าคืออะไรเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะเห็นอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าเห็นอย่างนั้นแหละดีแล้วนะฝึกไปได้ได้ๆนะมาเจ็ดสิบปดกลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาเกือบปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ก็ เ, เดินจงกรมนะคะแล้วก็ตามรู้กายตามรู้จิตไปแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าติดอะไรอยู่หรือเปล่าะคะหลวงพ่ออย่ากลัวติดเลยนะ ท, ทุกวันไปแล้วเราให้สังเกตจิตใจของเราไปได้ยนะสติเกิดบ่อยขึ้นไหม เ, เวลาจะทําผิดศีลเนี่ยรู้ตัวไหมไอไหมนะใจฟุ้งซ่านหรือว่าใจสงบนะสงบมากขึ้นไหมรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยขึ้นไหมเนี่ยเราดูอย่างนี้ถ้ามันดีขึ้นนะก็แสดงว่าการภาวนาของเราเนี่ยใช้ไดท้ที่เดินจงกรมแล้วก็รู้กายรู้จิตไปอย่างนี้ใช้ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช้ได้สิแต่อย่าไปเพ่งกายเพ่งจิตนะ ยังเพ่งอยู่เหรอคะหลวงพ่อมาเดินให้ดูหน่อยสิ<อ>เล่นไปเดินที่บ้านแล้วมาถามที่นี่อ้าวมามาเดินมามาเดินมาหน่าห้องเลยถือไม้มันด้วยก็ได้เห็นไหมเดินตอนนี้เราเผลอไปแล้วแล้วเราไปรวบจิตเอาไว้หรือเปล่ารวบนิดนิดนะคะหลวงพ่อเ น, น, <า>นี่ยมันไปรวบมาเราก็รู้ทันนะเชิญเดินกลับไปหลงไปหรือยัง เดินเนี่ยนะไม่ใช่เดินบังคับตัวเองนะเดินสบายๆใครจะอาสาออกมาเดินโชว์บ้างอันนี้สอนเดินสักทีเอาสักคนเอาคนนี้เชิญออกมาเดินอ้าวคนนี้จะสอนเดินอ้าวตอนนี้เดินมาถึงต้นทางจงกลมแล้วหยุดกันเวลาเราจะเดินจงกลมนะเราไม่ได้เดินเอาเวลาไม่ได้เดินเอาระยะทางไม่ได้เดินเอาจำนวนรอบไม่จะเดินกี่รอบ เรเดินเอาความรู้สึกตัวเพราะะั้นก่อนจะเดินนะรู้สึกตัวเสก่อนรู้สึกตัวสบายๆไม่ไปรวบจิตเข้ามาไม่ไปบังคับจิตเข้ามาบังคับไหมเออเล็กน้อยก็รู้ว่าเล็กน้อยนะอ่ะเดินไปเวลาเราเดินจงกลมนะ้เราเดินรู้สึกตัวไม่เวลาเดินแล้วใจไหลแวบบไปเรารู้ทันน ะ, ะเดินอีกเดินรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะเดิน เวลาใจไปเพ่งในร่างกายเราก็รู้สึกเวลาใจหลงไปคิดเราก็รู้สึกนะกั้นเวลาเดินจงกรมเนี่ย <c oughs> เดรู้สึกตัวนะไปเพ่งจิตไปเพ่งร่างกายเห็นกายเดินรู้สึกเนี่ยก็รู้ว่าเพ่งอยู่เดินเดินไปใจลอยไปคิดรู้ว่าใจลอยไปคิดนะเดินต่อเค <c oughs> ล็ดลับสําคัญอยู่ตอนที่เดินไปสุดทางแล้วนะตอนต้นทางเนี่ยรู้สึกตัวเดินไปสุดทางอย่าเพิ่งหันกลับมารู้สึกตัวให้สบายก่อน รู้สึกตัวสบายสบายทำไมต้องรู้สึกตัวให้สบายถ้าอยู่ๆเดินไปสุดทางแล้วหมุนปั๊บนะจิตกระเด็นตกทางจงกลมทุกรายเลยอารู้สึกตัวกลับมาแล้วก็อย่าเพิ่งเดินรู้สึกตัวอีกรู้สึกให้สบายเออแล้วค่อยเดินอาเชิญเข้าที่นั่งเคล็ดลับอยู่ตรงที่ต้นทางกับหลายทางนี่แหละนะถ้าต้นทางนั้นเริ่มด้วยการบังคับตัวเองนะการภาวนาใช้ไม่ได้แล้วเพราะนั้น ร, รู้สึกตัวนะเราเดินไปด้วยความสบาย เห็นกายมันเดินเห็นจิตมันคิดนะรู้ทันมันไปเรื่อยพอเดินสุดทางจงกลมแล้วอย่าเพิ่งหันกลับเดินสุดทางแล้วก็หยุดอยู่กับที่ก่อนรู้สึกตัวให้สบายก่อนรู้สึกตัวแล้วค่อยๆหมุนกลับมาไม่ช้าไม่เร็วเกินไปชา้าเกินไปก็หลงไปหลายรอบแนละ้วกว่าจะหมุนเสร็จนะเร็วเกินไปก็เวียนหัวหมุนพอดีๆตามสังขารนะหมุนกลับมาแล้วอย่ารีบเดินถ้าหมุนกลับมาปุ๊บแล้วเดินปั๊บนะจิตจะเดินก่อนขาจิตมันจะก้าวไปก่อน าเราเดินไปด้วยความรู้สึกตัวนะรู้กายรู้ใจเดินไปธรรมดาธรรมดานี่แหละเบอยี่สิบสี่กราบขอบพระคุณค่ะกราบนะคกัรหลวงพ่อครั บ, บ, บ, รบผมไม่ได้ส่งการบ้านมาเก้าเดือนนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนั้นยังหลวงพ่อบอกเพ่งอยู่ <c oughs> เพ่งกายและจิตมันนิ่งแล้วตอนนี้เป็นตอนนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นก็ดีแล้วนี่ ร, รู้สึกไหมพอเราไม่เพ่งไว้นะ มันเริ่มทำงานแล้วกิเลสเริ่มโผล่ดูออกไหมเห็นไหมออจิตจิตนี่เกิดดับได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าเราเพ่งไวแล้วไม่มีอะไรให้ดูปัญญาไม่เกิดหรอกนะอย่างนี้แหละดีแล้วแล้วตอนนี้มีมีอะไรติดบ้างครับก็ถึง <ขอ S 1> เวลารเราก็ทําความสงบมานะหมดเวลาทําความสงบแล้วก็ดูกกายดูใจทํางา น, เ, นเดินอย่างนี้เรื่อยๆไปเมื่อ73็ดสิบสามคุ ณ, ค, ณครับกรา บ, บนมัสการหลวงพ่อครับ ผมไม่ได้ส่งกันบ้านมาเกือบปีแต่ทุกวันนี้ก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนก็คือทําทั้งรูปแบบแล้วก็จเจลนสติในชีวิตชีวิตประจำวันทุกวันนี้ก็เห็นกิเลสมากขึ้นและความทุกข์มันก็ลดลงครับอันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็มีบางครั้งก็จะไปเห็นกายก็ส่วนกายออจิตก็ส่วนจิตออตัวรู้ก็ส่วนตัวรู้เออต้องอย่างนั้นแหละครับ แล้วก็ทุกวันนี้จะต้องทำอย่างไรต่อไปครับก็ทำต่อไปทำต่อไปดีแล้วใช่ไหมครับดีแล้วจิตขนาดนี้ตั้งมั่นัหมไม่ค่อยตั้งมั่นครับจิตไปอยู่แถวไหนครับไปอยู่แถวบริเวณหลวงพ่อครับให้รู้ว่าหน้าจิตออกนอกครั บ, เ, รบเมื่อสี่เมื่อสี่กรรมแพันธาัญาหลวงพ่อก็คือตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คือในระหว่างวันก็ ถ้ามีช่วงเวลาว่างก็จะคอยตามรู้ตามดูแล้วก็แต่ว่างานมันจะแบบทําแล้วมันจะค่อนข้างเลิกเย็นนะคะแต่ว่าพอกลับบ้านไปก็ทําในรูปแบบก็จะมีสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมนะคะคือว่าตอนนี้มาก็คือแบบอยากจะถามว่าอยากจะขอการบ้านเพิ่มไหมคะเพ อ, อ, อแรกนะ<ๆ>ปลุกใจให้ขยันภาวนานะเตือนตัวเองเลยว่าที่เราไปภาวนาเนี่ยคือการลงทุนให้กับชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดเลยวันหนึ่งเราจะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆ นะงั้นเราแบ่งเวลาไว้นะอย่าอย่าเอาเวลาไปใช้หมดนะแบ่งเวลาไว้พอนาในรูปแบบบ้างเวลาที่เหลือเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหลนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาเรียนกับหลวงพ่อเรียนไม่นานหรอกเขาทำงานเนี่ยเขาดูแลบริษัท5แห่งดูแลเองเลยนะ5บริษัทสามีก็ต้องดูแลลูกก็ดูแลบ้านก็ดูแลเองไม่อยากจ้างใครมาทำนะชอบดูแลเอง งานหนักมากเลยกว่าจะเสร็จงานที่บริการคนอื่นหรือว่าทำธุรกิจเสร็จห้าทุ่มทุกวันเลยห้าทุ่มถ้าเป็นเราเราจะบอกตัวเองใช่ไหมนอนเถอะไม่งั้นจะเป็นอัตตะกิรมาถานุโยก mm hmm. ปรากฏว่าเขาเดินจงกรมนะ mm hmm. เดินจงกรมไปจนหมดเรียวหมดแรงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยเขหลับไปตื่นขึ้นมาอีกเขาก็ภาวนาเขาอีกเขาก็ทาของเขาจนได้นะงั้นของคุณภารากิจมาก งั้นเรามีเวลานะแบ่งแบ่งเวลาไว้อดทนนะมันคือการลงทุนคิดแบบนักธุรกิจอ่ะนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่านะวันหนึ่งชีวิตเราจะดีกว่านี้เา้าที่ปฏิบัติอยู่นี่ใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดไดแต่อดทนนะ เ, เพราะว่าความทุกข์แรงๆมาก็ยังตุัตตุเปได้เป็นธรรมชาติหรอกแต่ค่อยฝึกไปมันจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแหละร้อยเจ็ดสิบเจ็ดข้างหลัง กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ อ, อยากจะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ได้เมตตาเน็ดเหนื่อยเผยแผ่แล้วก็สั่งสอนธรรมะให้ค่ะหนูก็อันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่มีโอกาสได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะครั้งแรกก็ส่งเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาเมื่อ ส, สามสี่เดือนก่อนค่ะก็รู้สึกว่าความทุกข์เห็นความทุกข์มันสั้นๆลงอะคะ่ะ แล้วก็เบาๆลงนะคะมีความสุขมากขึ้นรู้สึกจิตใจปลอดโปร่งมากขึ้นแต่ขณะนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะแม้ว่าจะเป็นครั้งที่สองแล้วที่ส่งกันบ้างโถครั้งที่2ี่สิบก็ตื่นเหมือนกันหมดแหละดีแล้วน่าจิตใจพัฒนาขึ้นเราคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจดูความจริงของกายดูความจริงของใจไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เชียงหรอก มีแต่ของทนอยู่ไม่ได้มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆน ะ, ะนั่นแหละหลวงพ่อค่ะทางแก้พ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหล ะ, ะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะสองกระจกแล้วก็เห็นตัวเองแล้วรู้สึกกลัวรู้สึกว่า ม, ม, มันไม่ไม่ไม่ค เ, เคยค่ะนั่นแหละภาวนาไปนะพอเห็นความเป็นจริงแล้วบางคนกลัวยอมรับไม่ได้บางคนเบือ่อ บางคนรู้สึกว่างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเป็นความรู้สึกเท่านั้นเราก็รู้ทันความรู้สึกนั้นเข้าไปอีกมันก็สลายไปเป็นกลางดูเข้าไปเถอะวันหนึ่งจะพบเลยว่ามันไม่ใช่เราเลยไม่มีตัวเราตอนนี้มันเริ่มเห็นบ้างแล้วหลวงพ่อคะไม่ทราบว่าหนูต้องฝึกดูในมมุในแง่มุมใดเป็นพิเศษไหมคะดูไปเรืยนะทุกอย่างมาเราก็ไปแต่ตอนที่ใจมันแจ้งมันแจ้งของมันเองน่ะในมุมที่มันเลือกของมันเองเราไม่ต้องเลือกนะเรารู้ลงปัจจุบันไปได้ ร้อยสิบเอ็ดหนึ <S 1> 1, <S ่งหน่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเชิญอยู่ด้านหน้านมัสการหลวงพ่อครับผมส่งการบ้านเป็นครั้งแรกครับที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าจะมีสติในช่วงที่ฟังสิดีหลวงพ่อช่วงขับรถอะครับแล้วพอเข้าที่ทำงานมันก็จะหลงไปค่อนข้างนาน mm hmm. ตอนนี้ อยาราบว่าถ้าจะใช้วิหารธรรมที่เหมาะกับจริตเนี่ยถ้าจะใช้ลมหายใจเนี่ยจะจะดีไหมครับลองดูสินะลองดูถ้าใช้ลมหายใจแล้วรู้สึกตัวบ่อยก็ใช้ลมหายใจหลวงพ่อสมัยก่อนหลวงพ่อดูจิตเอาใช้จิตเป็นวิหารธรรมเนี่ยจิตเตจิตตาโนปัสสีวิหารติใช้จิตในจิตเป็นวิหารธรรมดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะของคุณถ้าจะใช้ลมลองดูว่าทำแล้วสติเกิดไหมหรือว่าทำแล้วซึมนะถ้าหายใจแล้วซึมเนี่ยแสดงว่าไม่ดี ในลองหายใจให้ดูซิอย่าไปน้อมใจให้บงอย่าไปบังคับใจนะวิธีรู้ลมหายใจที่ดีก็คือเห็นร่างกายหายใจใจปิดคนดูดูไปอย่างสบายๆ <c oughs> เวลาเราทำอานาปานสตินะ <c oughs> พวกเราชอบทำผิดเราเริ่มต้นด้วยการแรกวางฟอร์มทางร่างกายกอนต้องนั่งให้ถูกหลักก่อนอันที่สองวางฟอร์มทางใจคือทำคลึ้มนะพอขลึมได้ที่แล้วก็เริ่มน้อมให้ซึม น้อมให้ใจไหลไปเนี่ยหมายว่าภาวนาดีอย่างนี้ไม่เอาเลยนะอย่างนี้ขาดสติอ่ะงั้นจะทําอานาปนาสตินะมีสตินะไม่ใช่ไม่มีเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูรู้ไปอย่างสบายๆนะเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเราอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูเรื่อยๆพอใจมันสงบใจตั้งมั่นนะไม่ขาดสตินะบางทีภาวนาลึกลงไปเจอทั้งร่างกายหายไปเลยเหลือใจที่มีสติรักษาอยู่ตลอด อย่าให้ขาสตินะงั้นมันอยู่ที่ตอนเริ่มต้นฝึกอะ่ะถ้าเริ่มต้นฝึกก็น้อมให้ซึมแล้วก็ขาสติแน่นอนเลยนะพยายามฝึกให้รู้สึกตัวไว้ครับอีกข้อนึ่งครับควรจะต้องปฏิบัติในรูปแบบไหมครับควรนะถ้าทําได้นะถ้าทําได้ควรมีประโยชน์มากหลวงพ่อเองนะั่นทำสมาธิตั้งแต่7ขวบนะทำอยู่จนอายุ29สมาธิเยอะตั้งแต่สมัยเป็นคาราสแล้วตั้งแต่เด็กๆฝึกมาตลอด พอมาเจอหลวงปู่ดูลนท่านให้ดูจิตเนี่ยเราทำสมาธิมามากแล้วจิตมันตั้งมั่นเราดูได้สบายเลยดูได้เป็นธรรมชาติเลยปีที่ทำสมถะมานะใช้เจริญปัญญาได้สองปียงหลังจากนั้นใจเริ่มฟุ้งลดูไม่ถึงจิตจริงแล้วต้องกลับมาทำความสงบอีกนะต่อมาก็ทำความสงบแล้วก็มาเจริญสติทำความสงบแล้วมาเจริญสติหมุนเวียนอย่างนี้เรื่อยๆถ้า ช่วงไหนเผลอเจริญสติอย่างเดียวเลยจเจริญสติปัญญารวดไปเลยนะมันดูไม่ถึงจิตจริงอะนะวันเราไม่ทิ้งสมถะออกนะขอบพระคุณครับร้อยี่สิบสามพวกเราพอนาดีๆเยอะนะใจมันตื่นขึ้ น, นมาเยอะแยะเลยกลับนามัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเราก็ทำยังไงดีตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นโอ้ดีไม่ใช่กดเหรอวันต่อวันนี้กําลังจะบอกออค่ะหลวงพ่ อ, อ, อบอกมาก่อน <c oughs> ก็วันนี้มารู้สึกว่าจิตตั้งมั่นกว่าคราวที่แล้วที่เมื่กับหลวงพ่อแล้วก็เป็นกลางเยอะขึ้นนะคะแต่วันนี้มีประคองแล้วก็กดๆนะคะนะเรารู้ทันมันไปเรื่อยมันเป็นยังไง ร, รู้อย่างรู้อย่างที่มันเป็นนะค่ะ <c oughs> รู้ด้วยความเป็นกลางเรื่อยไปปีกว่า <c oughs> จากคราวที่แล้วอะค่ะหลวงพ่อก็ภาวนานก็รู้จัก ที่หลวงพ่อบอกว่าเดินปัญญามากขึ้นทีนี้หนูสงสัยว่าเวลาหนูเดินปัญญาค่ะหนูมักจะเห็นว่าขันมันกระจายออกจากกันแต่ว่ามีแค่ครั้งสองครั้งที่เห็นสันตติมันขาดแต่ตรงเนี้ยหนูสงสัยว่าถ้าเห็นแค่คนะแตกแต่สันตติไม่ขาดไม่เห็นเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไม่เป็นนะปัญญามันเริ่มตั้งแต่แยกธาตุแยกขันจุดเริ่มต้นเนี่ยมาแยกธาตุแยกขันก่อนยังไม่เห็นเกิดดับตรงที่สันตติขาดเนี่ยมันเป็นยานขั้นที่4ี่แล้เห็นความเกิดดับ แปลว่าคือแค่แค่ระดับลัก้าสักกายะเนี่ยไม่ต้องเห็นขั้นที่4ก็ได้ใช่ไหมคะต้องถึงขั้นที่16บหกหมายถึงโสดาใช่คะหนูจะทําไปเรื่อยๆค่ะหนูทําไปเรื่อยๆมันไปเองอะนะค่ะอย่าท้อใจนะมันฟังแล้วมีเยอะเอางี้เอางี้ฟังแล้ว16มันเยอะไปเอาแค่วิสุทธิเมี7ขั้นถ้าโสลรถยาณมันมี16บหกเยอะไป การที่เราสามารถแยกรูปแยกนามได้แสดงว่าเรามีความเห็นถูกแล้วนียกว่าทิฏฐิวิสุทธิทิเริ่มแต่ศีลวิสุทธิเรามีศีลไว้ก่อนนะมีจิตวิสุทธิคือมีจิตที่ตั้งมั่นเรามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเราเห็นธาตุขันธ์เริ่มกระจายตัวออกเริ่มเห็นความจริงแล้วว่า้สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นตัวเราจริงๆประกอบด้วยสิ่งหลายสิ่งมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้เราเรียกว่ามีทิฏฐิวิสุทธินะ หักจากนั้นเราก็มาหาัดตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะตามรู้ตามดูไปเรื่อยเราก็รู้เลยทุกอย่างที่เกิดมามีเหตุทั้งสิน้นไม่มีอะไรเกิดมาลอยๆกิเลสแต่ละตัวก็ต้องมีเหตุทั้งนี้เห็นไหมเห็นค่ะอ๋อทุกอย่างมีเหตุถ้าเห็นตรงนี้นะเาเรียกว่าได้ชั้นวิสุทธิอันที่สี่แล้วเรียกว่ากลางขา ว, วิตรณะวิสุทธิไม่มีเจ็ดตัวเองได้สี่แล้ว <laughs> นะหลักนะจากนั้นนั้นเราก็จะมาดูนะ ค่อยมหัดเลยไปเห็นมันมาแล้วมันไปมันมาแล้วมันไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปเรื่อยๆน ะ, ะเห็นส่วเนี้ยต่อมามจะเกิดวิปัสสนูไปกิเลสภาวนาเป็นนะถึงจะเกิดวิปัสสนูภาวนาไม่เป็นไม่มีวิปัสสนูเช่นโอภาษดูไปดูไปนะั่งสว่างโล่งไปหมดเลยโล่งจิตมันเคลื่อนออกไปไปจับโอภาษนะพอเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะกลับมารู้เนะืรู้ตัวนี่พ้นจากวิปัสสนูได้พอเรารู้แล้วว่าถ้าจิต งออกไปจิตส่งออกไปจิตไม่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวนะจะทําให้เกิดวิปัสสนูจิตมันรู้ตรงนี้แล้วมันจะรู้อะไรไ ว, วิธีปฏิบัติก็คือรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็รู้รูปนามที่ทํางานอยู่ตัวเนี้ได้วิสุทธิตัวที่5แล้วนะชื่อมัคคามัคยาณทัศสนวิสุทธิชื่อยาวไหมมัคกะมัคอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางนะหลังจากนั้นก็มาทําต่อไปนะเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินะ์ แล้วก็เป็นยานทัศนะเห็นไหมหรือ อ, อ, ออีก2องงานหนึ่งมีกําลังใจยังมีค <c oughs> ่ะถ้าคือ น, นับโสรถยานตายแล้วหนูหนูเพิ่งได้ยานที่1นึ่งที่สองอะไรฟังแล้วน่ากลัวค่ะเราก็ขอเรียนถามเพิ่มเติมนะค่ะหลวงพ่อคือคือจากตั้งแต่เดือนที่แล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าเห็นความประมาทของตัวเองมากๆากะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็พลิกชีวิตใหม่หมดจัดสิ่งแวดล้อมจัดคอนดิชันทุกอย่างให้ให้ตัวเองขยันเพราะว่านาดีดีแล้วมันมันรู้สึกแบบ เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในช่วงเวลาแค่เดือนเดียว ท, ทั้งที่ก่อน น, ะนั้นปีนึงเหมือนไม่คืบหน้าค่ะปีนึงไม่คืบหน้านะพระพุทธเจ้าท่านเทียบอย่างนี้นักปฏิบัติเนี่ยจิตใจเราเหมือนไม้ไม้ตัดจากต้นใหม่ๆเป็นไม้สดนะแล้ไปแช่น้ำเนี่ยเอามาติดไฟไม่ได้ไม่ค่อยยอมติดไฟนะใจของเราจิตใจของเราที่เราคลุกอยู่กับโลกมากๆเหมือนไม้แช่น้ำภาวนายากการที่เราตัดสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยวนออกไปนะมันเอาไม้ขึ้นมาอยู่บนบกแล้ว นะยิ่งนานไปมันยิ่งแห้งยิ่งภาวนา ง, ง่ายนะงั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีดหนไหหูไม่ได้หนีโลกใช่ไหมคะหนูไม่ได้หนีโลกใช่ไหมคะเพราะหนู<ม><ม>ก็ยังทํา ง, งานได้ถ้าห น, านีโลกเนี่ยใจจะปฏิเสธ แต่นี้เรารู้แล้วโลกไร้สาระเราไม่ยุ่งกับมันะนะสุดท้ายคะ่ะหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องรูปแบบอะคะ่ะคือตอนนี้หนูพยายามหารูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองคือนั่งสมาธิดินจงกรมเนี่ยทำไม่ได้สวดมนต์ก็ร้อนอึดอัดอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็เลยใช้วิธีคือหัวเข่าเจ็บก็ใช้กายภาพบำบัดเป็นการทำในรูปแบบได้ไหมคะ หลวพ่อไม่รู้จักกายภาพบำบัดมันเป็นยัไงคือก็คือเหมือนนั่เอ่ยยืนย่อขาขึ้นลงขึ้นลงช้าๆเหมือนคนเต้นไอ้จี้จี้กงอะค่ะได้ได้จี้โกงเขาไม่เคยหัดได้ใช่ไมครัได้ได้ขอบพระคุณครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าเนี่ยถ้าคนฟังเป็นนะแล้วฟังพวกเราส่งกันบ้านนะเขาจะทึ่งอะแล้วพวกเราเดินปัญญากันได้ดีมากเลยบางคนเดินปัญญาถึงจุดที่แยกธาตุแยกขันแล้วบางคนเห็นธาตุขันเกิดดับได้นะ บางคนเลยไปจากนั้นอีกถัดจากเห็นเกิดดับนะใจเกิดความเบื่อเกิดความกลัวนะบางคนเลยจากนั้นอีกใจเป็นกลางต่อธาตุขัน น, นี่ภาวนากันพัฒนาเป็นลำดับลําดับไปการในมัสการหลวงพ่อครับเฉยส่วนตัวผมก็ปฏิบัติในรูปแบบอยู่แล้วครับแต่ว่า<ม>อยากให้คุณพ่อแนะนำหลวงพ่อแนะนําคุณแม่มากกว่าฮะมาข้างๆครับคุณพ่อไหนๆคุณแม่คุณแม่นั่งอย่ครับคุณแม่ก็พยายามสวดมนต์เช้าเย็นนะฮะแต่นี้ก็ ตานิดหน่อยครับฝุณแม่คอยดูใจไว้เวลาใจมันห่วงลูกนะให้รู้ทันอะไรเงี้ยคอยรู้ทันห่วงลูกบ้างไหมห่วงค่ะฮะห่วงมากค่ะห่วงมากเลยนะเนี่ยแหละเวลาใจมันเป็นห่วงก็ให้รู้ทันนะใจมันกังวลก็ให้รู้ทันใจมันสุขใจมันทุกข์ให้คอยรู้ทันคอยรู้ทันใจของเราบ่อยๆแล้วก็ถึงเวลาก็สวดมนต์ทำสมาธิตามปกติเวลาที่เหลือคอยรู้ทันใจบ่อยๆนะะ ขอคุณลูกก็อย่าไปเพ่งแรงนะปลๆเอาร้อย 170. เจดสิบดี๋ยวนี้สอนสามวันนะค่อยมีแรงเลยนมัสกัดครับหลวงพ่ อ, ค, อคือเพิ่งเคยส่งกันบ้านนะครับขออนุ ญ, ญาต เ, เพิ่งเคยเพิ่ ง, พงหัดมาไม่นา่านสักปีนึ่งครับ ช, ช่วยมีปัญหาช่วยขอถามหน่อยครับมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหามีปัญหาอะไรไหมครับที่ผมทีกิ<ป>เลสไหม เห็นกิเลสไหมเวลากิเลสบ้างครับนะยิ่งเห็นบ่อยยิ่งเก่งนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คอยดูของคุณกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยล่ะหลงไปคิดครับอ๋อถ้าอย่างนั้นยิ่งเก่งหนักเข้าไปอีกให้กันบ้านนะต่อไปนี้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ไวจิตหลงไปคิดแล้วรู้ไวๆท่องไว้นะไม่ใช่รู้มามากนะรู้ไวนะออทําได้ไหมมีเครื่องช่วยอย่างหนึ่งยิ่งดีกว่าเก่าอีกนะ อยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะพุทโธไปพุทโธพุทโธนะพอจิตไหลไปคิดเราก็รู้โอ้เวลาไหลไปคิดมันลืมพุทโธไปแล้วนะเนี่ยนั้นเรก็มาพุทโธอีกไม่ใช่พุทโธเพื่อบังคับจิตนะแต่พุทโธเล่นๆไปอย่างงั้นแหละพุทโธพุทโธพุทโธเป็นเครื่องอยู่พุทโธพุทโธไปจิตไหลไปคิดอีกรู้ทันนะไปลองซ้อมอย่างนี้นะมันจะทําให้รู้ได้เร็วขึ้นลําพังอยู่ๆไปดูจิตหลงเนี่ยมันจะดูได้พักเดียวแล้วหลงยาวนะ เบอร์เเอาพุธโทมาเป็นเครื่องช่วยถ้าไม่ชอบพุธโทก็เอาคำอื่นก็ได้นรรมการค่ะหลวงพ่อหลวงคุณเคยทักว่ายังนิ่งๆอยู่อะค่ะตอนนี้นิ่งๆ น, น้อยลงแล้วยังคะเราว่าน้อยัหยล่ะว่าน้อยลงค่ะน้อยก็น้อยสิปฏิบัติรูปแบบมากขึ้นนะคะดีสังเกตไหม ใ, หใจมันเวลาเราไม่เพ่งไว้ใจมันชอบเ อ, อ้อะเหยค่ะนะให้รู้ทันนะเลามีเครื่องอยู่ของจิตไว ไปอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถอะไรก็ได้แล้วจิตหนีไปเรียบรู้ไหวๆนะให้มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งมันจะช่วยให้เรามีแรงวิหารธรรมนั่นแหละเครื่องอยู่ก็ล้คือวิหารธรรมนะลองไปดูเอาว่าจะใช้อะไรใช้กายลมหายใจใช้อิริยาบถนะหรือใช้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือจะใช้จิตที่มีกุศลอกุศลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะลองไปดูว่าวิหารธรรมชนิดไหนอยู่แล้วสบาย ไปเลือกดูนะมีเยอะแยะไปอยู่ในสติปัฏฐานแนละ้วไปเลือกทำขอบคุณค่ะแล้วย <127. S 2> ี ก, การอภิสการครับหลวงพ่อครับผมขอคําแนะนําจากหลวงพ่อสองข้อนะครับที่ผมภาวนาอยู่นี้มีติดข้องอะไรอยู่หรือเปล่าครับผมภาวนาอย่ากลัวติดข้องนะมีหน้าที่ทําไปแล้วสังเกตเอาจิตใจของเรารู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยขึ้นไหมจิตใจเราไปนิ่งนิ่งทื่อทแข็งแข็งอยู่หรือเปล่านะ ค่อยๆสังเกตเอาจิตเป็นยังไงแข็งๆไหมช่วงๆนี้ตื่นเต้นครับเออตื่นเต้นนะไม่เป็นไรไปบังคับไว้ไปกดไว้มีไหมไม่ไม่น่าใจครับรู้ไหมครับไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรรู้ว่าไม่แน่ใจไปนะพยายามรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเลี้ยวซ้ายแลกว่ารู้สึกกายบ่อยๆนะแล้จะภาวนาง่ายอ่าข้อที่2นะครับคือผมจะต้องไปกลับไปอยู่หอนแก่นนะครับไม่ทราบว่า คือพอห่างครูบาอาจารย์นะครับตอนเกิดไม่ห่างครูบาอาจารย์ทางอีสานครูบาอาจารย์เยอะเลยครับก็คืออยากจะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อว่าถ้าเกิดว่าผมจะไปสอบถามเกี่ยวกับธรรมานิชพบจะพอจะมีแนะนําไหมครับครูบาอาจารย์ที่ท่านเน้นการเจริญสติในชีวิตประจําวันนะที่ชัยภูมิหลวงพ่อคำเขียนนะท่านสอนมีสติในชีวิตประจำวันในคนในเมืองทําง่ายนะมีอะไรลองไปถามท่าน รูบอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ทางโน้นเยอะแยะไปแต่ว่าท่านแก่แล้วส่วนมากมไม่มีแรงสอนเราเออตอนตอนนี้พี่สาวผมเป็นยังไงบังคับการภาวนาเขาแล้วพี่สาวอยู่ไหนอ่ะคนคนนี้ครับแล้วเขาจะเป็นอะไรอ่ะมีมีมีติดอะไรหรือเป <c oughs> ล่าเขาภาวนางไงการนมัสการหลวงพ่อคะ่ะหนูก็จะดูแบบเอ อ, อย่างเวลาขับรถนะคะอืก็จะบองถ่ายรถแล้วก็ แวบมาดูตัวเองเอา้าตัวเองนั่งขับรถอยู่แล้วก็หน้าที่การงานก็คือจะเป็นเป็นเซลล์อะค่ะแล้วก็ได้ได้คุยกับลูกค้าหนูก็อยากจะถามหลว ง, งพ่อถามหลวงพ่อว่าเวลาเป็นเซลล์เนี่ยนะดูจิตง่ายเลยอยา่างเราจะไปขายของใช่ไหมเราอยากขายหให้ได้รู้ว่าอยากหหเห็นหน้าลูกค้าคนนี้โอ้ถ้าจะพูดยากหน้าตากวนประสาทไม่ชอบเลยรู้ว่าไม่ชอบเนะนี่ยคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อย และจะต่อไปจะขายของสะดวกเลยก็ได้เรื่อยๆอะค่ะแล้วก็คือ <laughs> คือคือหนูแบบเออเวลาที่คุยคุยกับลูกค้าแล้วเวลาฟาุ้งซ่านนี่นี่เราต้องดูยังไงอะค่ะหลวงพอ่อรู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านอย่นะก็รู้ทันใจว่ากําลังฟุง้งซ่านอย่างนี้แหละคอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆพอเขาตกลงซื้อแล้วดีใจรู้ว่าดีใจนะ mm hmm. เขาไม่ซื้อเสียใจรู้ว่าเสียใจ โมโหรั่วโมหวโมหเนี่ยดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ อ, อ, อ้าวต่อไปข้างหน้าข้างหน้าเชิญยกมือร้1ยแปดสิบหนึ่งวัสดีครับหลวงพ่อครับดีด้วยอา้าวแล้ไงคือเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อให้ยกเนะี่ยรู้ตัวว่าอยากนะฮะอยากให้เรียกะฮะก็ก็ดีใจแลนะฮะแต่นี้คือผมก็เออึกกลองลองปฏิบัติมา บ้างแต่ว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าทำได้จริงหรือเปล่านะฮะให้รู้เลยว่ากำลังสงสัยรู้ครับแต่ว่ามันไม่หายครับไม่ได้ดูให้หาย <laughs> แต่ดูให้เห็นว่าความสงสัยก็เป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ใช่ครับดูอย่างนี้ตางหางไม่ให้ดูให้หายนะ แต่แต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยทำไดปดูตัวนี้หลวงพให้กันบ้านเวลาใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าใจฟุ้งซ่านไปดูตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าฟุ้งเก่งใช่ไหมก็เก่งครับก็ก็พอรู้ครับหลวงพ่อบางทีก็ก็รู้บ้างนะก็รู้บ้างรู้ว่าไหลอันเนี้ยจะรู้เร็วดีดีไปฝึกอย่างนั้นแหละใจไหลแเรารู้ใจไหลแล้วรู้ครับชี้โมโหไหมไม่ค่อยแล้วฮะอไม่ค่อยแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะนิ่งนิ่งง่ายฮะฮะ ไปฝึกต่อไปครับ อ, อีกนิดนึงครับหลวงพ่อครับว่ามาคื อ, อที่ตะกี้หลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่าให้ไปขยันทาขยันทรเนี่ยคือผมเองเนี่ยมีข้อสงสัยอีกแล้วฮนะว่าการที่ขยัน <ลง S 1> ทำเนี่ยหลว ง, งพ่อถึงบอกไงว่าให้ไปดูใจที่ฟุ้งซ่านนะ อย่างเราสงสัยขึ้นมาเพราะเราช่างคิดนึกออกไหมใช่ครับเพราะงั้นเรารู้เลยใจมันฟุ้งไปแล้วนะใจมันฟุ้งไปคิดเรารู้ฟุ้งไปคิดเรารู้รอเอาตัวนี้แหละเป็นเครื่องอยู่ดูจิตที่ฟุ้งซ่านนี่แหละเป็นเครื่องอยู่ คือพอบอกว่าขยันเนี่ยคือผมก็ตว่ามาอีกคำหนึ่งคือว่าเป็นกลางก็คือต้องบอกว่าไม่เหมือนกับว่าไม่พยายามไม่เพ่งก็เลยบอว่าไม่ไม่เ <sk r ug> บื้องต้นต้องพยายามไว้ก่อน <sh arp> ใช่ไหมฮะมันมันมั น, มนผมก็เลยกลั้มกึ่งเลยกลายเป็นขี้เกียจเลยครับไม่เอาเขอานะี้เกียจไม่เอานะขี้เกียจเป็นอกุศล น, นะใช่ครัเบื้องต้นอ่ะขยันไว้ก่อนอ่นะขยันแล้วมันก็อยากใช่ไหมมันอยากถึงขยนันต่อมามันขยันจนเคยชินแล้วมันเห็นใจที่อยากนะ ความอยากดับไปก็ยังขยันต่อนะอไม่ใช่ขี้เกียจเพราะฉะนั้นตอนแรกๆยั ง, ยงตอนปล่อแนแรกต้องบังนะคับมันก่อนเน่าผมก็ถกเถียงกับเพื่อนอยู่เสมอว่าตกลงเนี่ยผมขี้เกียจหรือผมปล่อยเป็นกลางสงสาน <c oughs> อ้าวสเจดยนอนคือตอนอยากตื่นเต้นค่ะก็จะข อ, อนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูค่ะเอานั่งไปทำไมต้องมานั่งให้เราดูว่า อยากรู้ว่านั่งถูกหรือนั่งผิดต่วนั่งไป <c oughs> ใจมันส่ายรู้ว่าใจมันส่ายเนะนี่ยคอยรู้ทันนะเวลาเรานั่งสมาธิเราไม่ได้ไปเพ่งไว้แรงๆใจมันจะส่ายไปส่ายมาเราก็รู้ทันใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเวลารู้เนี่ยอย่าถลำลงไปรู้ยังมีการถลำลงไปรู้มีไหมค่ะ <c oughs> เออนะเวลามันถลำไปรู้ก็รู้ทันมันนะ นะแล้วเราก็ใจเราตั้งมั่นอย่างเงี้ยล้วก็ดูสภาวะไปดูกายดูใจไปมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไปด้วยฝึกอย่างนี้บ่อยๆใช้ได้นะของคุณเพียงแต่ว่าเวลารู้อารมณ์มันชอบถลำมถ้าไปเบิกข้าวเบิกข้าว สนามนมรดกการหลวงพ่อค่ะครั้งสุดท้ายที่โยมมากราบหลวงพ่อเมื่อหกเดือนก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ไปเดินให้มากๆค่ะโยมก็พยายามเดินอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงเดินจงกรมค่ะตอนนี้ก็โดยรวมก็คิดว่าใจตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็บางครั้งก็เป็นกลางได้บ่อยขึ้นนะคะดีนะค่ะภานาดีขึ้นแล้วล่ะค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนําไปทําต่อนะทําทุกวันอดทนไว ไม่หวังผลนะเราถือว่าการเดินจงกรมทุกวันนี้ทำเป็นพุทธบูชาขอถวายคุณงามความดีบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทําเพื่อตัวเราเองนะไม่ได้ทําเพื่อจะเอาอะไรสักอย่างเดียวทําทุกวันทุกวันโดยไม่หวังผลนะจะพัฒนาเร็ว37ถ้าทําแล้วก็คิดนะนี่เดินมา45่นาทีแล้วจะบรรลุยังไม่บรรลุอ่ะกลาวนวัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งการบ้านครั้งที่แล้วเดินพฤศจิกาค่ะ ที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูเรื่องเวลาทําอะไรให้ตั้งใจทําอะค่ะเพราะมันจะหลงมันมันลื ม, มบ่อยอะค่ะหลวงพ่อที่ผ่านมาก็คือเห็นความเบื่อเกิดขึ้นเป็นะระยะระยะค่ะแล้วก็ไปที่ไหนก็เห็นแต่ทุก ค, ค่ะหลวงพ่ อ, อ, ท, อที่โร<ล>งเรียนที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดค่ะแล้วก็เมื่อเดือนเดือนที่แล้วค่ะมีโอกาสได้ไปเข้าป่าไปภาวนากักบครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งอะค่ะระหว่างที่ไปถึงอะค่ะหลวงพ่อครูบาอาจารย์ ท่านก็สอนแนวเดียวกับนนแนวเดียวกับหลวงพ่อค่ะท่านอาจจะลองใจหรืออะไรเงี้ยค่ะท่านบอกให้นั่งสมาธิสมชั่วโมงเลยก็ <c oughs> นั่งไปแบบไม่ได้คิดอะไรค่ะหลวงพ่อคือแบบนั่งก็ดูกระดูกของหนูไปไปเรื่อยๆเสร็จ แ, แล้วจิตมันก็ตั้งมั่นนะคะหลวงพ่อเสร็จ แ, แล้วมันก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> ระหว่างจิตกับเวทนามันแยกจากกัร น, นะคะหลวงพ่ออ <c oughs> คือจิตมันก็ลงปร่งเบาสบายเวทนามันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นนะคะไม่ต้องอย่างนแหละแล้วเวทนาก็ไม่ใช่กายด้วยใช่ แล้วหนูก็นั่งดูไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อสักพักมันก็เห็นว่ากายมันหายไปค่ะหลวงพอ่ อ, อรู้เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวที่ว่าเห็นเราอยู่อะค่ะหลวงพอ่อต้องอย่างนั้นแหละค่ะหนูก็พอหลังจากนั้นติดมันก็โป่งเป่าสบายไม่มีไม่ไม่ได้นั่งต่ออะค่ะออพอหลังจากนั้นกลับมาสักประมาณอาทิตย์ ก, กว่าๆเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไปค่ะหนูเสร็จ แ, แล้ว มันเหมือนโปร่งโล่งเบาหนูติดโอภาษ์อะไรหรือเปล่าคะหลวงพ่อไม่ติดไม่ติดทาถูกล้มันเหมือนมันเป็นกลางมากขึ้นมันเป็นกลางมันรู้มันตื่นมันเบิกบานมันทรงตัวอยู่ไม่โดยไม่ต้องประคองรักษาคะเพราะเป็นผลของสมาธิสามชั่วโมงนั่นแหละแล้วก็จะอยู่ได้อีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็ฟุ้งนั่นเราต้องทำทุกวันนะแต่ไม่ใช่ว่าสมชั่วโมงทุกวันหรอกทำสม่ําเสมอไปให้ใจมีกําลังตอนนี้ใจมีแรง พอใจมีแรงแล้วดูลงในไกาไม่มีเราดูลงที่ไหนไม่มีเราจิตเองก็เกิดดับดูออกไหมัวออกเจ้าค่ะนะทำไปอีกอย่างนั้นโมทนาค่ะหนูขอเอาการผลการปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาอาจริยบูชาสัาธุสาธุชอบมากอย่างนี้ชอบนะหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมค ะ, ะทำอีกค่ะขอบพระคุณทำถูกแล้วต้องต้องทำเนืองๆนะร้อยเนี่แหละศีลสมาธิเราพร้อมแล้วเหลือแต่ขั้นเดินปัญญาแล เชิญ175นมัส ก, การาไม่ต้องพูดซ้ำ <laughs> พึ่งส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะปฏิบัติมาได้ปีกว่ า, เ, าเมื่อกี้ก็กระวนกระวายเจ้าค่ะมองนาฬิกากลัวไม่ทันไม่ได้นั่งสมาธิแล้วก็ไม่ได้เดินจงกรมเลยเจ้าค่ะแต่ว่าอาศัยว่าฟังซีดีของหลวงพ่อมันก็เหมือนกับที่หนูฟังตอนช่วงแรกก็คือมันจะเผลอไปคิดแล้วก็กลับมาฟังหลวงพ่อใหม่ก็ถัด มันก็จะตัดไปตัดมาตัดไปตัดมากันที่เราเห็นจิตมันตัดไป ต, ตัดมานะเวลาฟังซีดีหลวงพ่อเราอยากเข้าใจผิดว่าเอาซีดีเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมจะต้องเนื่องด้วยกายด้วยใจของเรางั้นอย่างเราฟังซีดีเราเห็นจิตหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้เนี่ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะเด <Okay. S 2> ี๋ยวนี้ก็ใช้ได้คือแล้วทีนี้หนูก็เห็นว่าจะมาหลายหลายเดือนแล้วค่ะเกือบปีแล้วที่หนูเห็นว่า ร่างกายมันเก้าไปสองสองสามก้าวแล้วแต่จิตมันก็เป็นคนดูแล้วมันก็หายไปอแล้วตอนมาอีกสักห่างกันนานก็เห็นว่าร่างกายมันหลับแล้วก็เห็นว่าใจมันตื่นแล้วทีนี้หลังหลังจากนั้นเร็วๆมาถัดมาหนูก็เห็นว่าที่ตอนที่ช่วงหนูปวดกระเพาะเธอค่ะของพ่อหนูหลับตอนกลางคืนแล้วจิตหนูตื่นขึ้นมาหนูก็เห็นว่าความปวดมันก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวตัวที่รู้ก็อีกตัวหนึ่งแล้วหนูก็เห็นว่า ร่างกายมันก็หลับอีกอพอมันหลับแล้วจิตมันตื่นก็บอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละไม่ได้ทำอะไรเลยมีสติไปเรืในชีวิตนี้นะในชีวิตประจําวันเนี้ฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าหวังว่ามันจะได้ผลเร็วๆนะ <Okay. S 2> อย่าอยากใจที่มันเราร้อนขึ้นมาเนี่ยมันอยากได้ผลเร็วนะมันเลยไม่สบายใจห<น>ให้รู้ไปสบายๆ ดูอย่างสบายๆนะถ้าม่จะเห็นเน่่งที่เห็นแล้วแต่ถ้าเคยเห็นมาแล้วอยากให้เห็นอีกเนี่ยจะไม่เห็นหรอกงุนงิดเปล่าๆ <laughs> หลวงพอสร้างคือหนูสงสัยตัวนึงนะคะก็คือครั้งนึงหนูถูกเขาว่ามาถูกพิสาว่ามาแล้วทีนี้หนูก็เห็นว่ามือมันสั่นเห็นว่าอาการเลือดมันขึ้นหน้าแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเห็นว่าอยากจะโต้ตอบแล้วเขาก็มันก็มีแบบหลุดหลุดนิดนึงพอมาเห็นอย่างนั้นเห็นว่าเลือดขึ้นหน้าเห็นว่ามือมันสั่นเพราะมันย้อนเข้ามาดูที่ใจเจ้าค่ะมันจะเห็นว่าทําไมมันว่างๆมันโล่งๆนั่นแหละมันไม่มีอะไรแล้วมันดับไปหมดแล้วอ๋อนะตุเลตมันดับไปหมดแล้ว แล้วหนูต้องนั่งสมาธิเดินจงกรมไหมคะทำสิทาได้ก็ทำทุกวันนะไหวพระสวดมนต์อะไรเงี้ยทำไปเด้ยแล้วก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเอ้าออเบอร์96 96 96ขหก้นัมมาตรการหลวงพ่อยะค า, าดิฉันมาจากพังงาค่ะไม่เคยมาตีเนี่ยทีแรกว่าจะไปเทศพังงาเลยเลิกละพอเดีดิฉันก็ภาวนาสวดบนภาวนาอยู่ แล้วก็ลูกก็เอาตรีดีของหลวงพ่อไปให้กวังแล้วดิฉันก็กวางอยู่แล้วก็กําลังตามอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างอยากจะถามหลวงพ่อดูค่ะสังเกตไ้มใจเรามีความโปร่งโล่งเบาขึ้นไหมค่ะแม่เรารู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยไหมค่ะเห็นไหมใจเราไม่เหมือนเดิมค่ะใจเราเริ่มตื่นหรือไม่รู้สึกไหมเหมือนเหมือนมันตื่นตื่นค่ะนะภาวนาดีค่ะภาวนาดีถัดจากนี้ดูมันบ่อยๆนะ สห็นเจนไหมลูกเราเนี่ยแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากันดูออกไหมก็ภาวนาอยู่และลูกอยากจะให้มาก็เลยลูกก็ส่งให้มาให้มาหลวงพ่อค่ะลูกอยู่ไหนลูกอยู่กรุงเทพค่ะนี่ให้ลูกอยู่นี่ค่ะดีๆลูกก็ใช้ได้ลูกก็ภาวนาอยู่ แล่ให้อยากให้ดิฉันมาเลยก็สั่งให้มาดีเชื่อฟังที่ลูกสั่งดีแล่อยากจะให้หลวงพ่ออยากจะถามหลวงพ่อด้วยว่าเป็นยังไงบ้างที่ภาวนาอยู่จะดีหรือเปล่อดีสิภาวนาไปอีกนะกำลังสดมรภาวนาอยู่ประจําค่ะ เวลาใจมันมีความสุขขึ้นมาให้รู้ทันนะใจมันมีความทุกข์ให้รู้ทันไปดูตัวนี้เรื่อยน ะ, ะใจมันสุขก็รู้ใจมันทุกข์ก็รู้ใจมันเฉยๆก็รู้ดูมันอย่างนี้แหละแค่นี้ก็พอแล้วนสะี่สิบเกนี่อุตสาห์มาจากทางานาน้ำมศาการเจ้าค่ะปฏิบัติอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนนะเจ้าคะแล้วก็สติยังเกิดได้ช้านะเจ้าคะแล้วก็ จะติดสภาวะตรงเหมือนกับที่นั่งอยู่กับหลวงพ่อตอนนี้ใช่เจ้าค่ะเอออย่างนี้แม่เอออย่างนี้มันน้อมใจเข้าไปติดเดี๋ยวค่ะเออปล่อยให้เป็นธรรมชาติแ ล, แล้วทํายังไงตรงนี้ถึงจะหายหายใจแรงๆหรือเปล่าคะเออหายใจแรงๆขยับไปลุกมันนี่นจะจะเป็นบ่อยมากเลยค่ะ อ, อย่าให้มันน้อมเข้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยาก ข, ขอคําชี้แนะจากหลวงพ่อที่จะทําให้ดีขึ้นนะเจ้าค่ะก็ต้นความรู้สึกตัวให้เป็นธรรมชาตินะ อย่าปล่อยให้มันไปค้างนิ่งๆอยู่ในภาวะอะไรนั้นจะเป็นบ่อยแล้วก็ส่วมากจะแบบเหมือนกับจรามาตรงบ่าตรงทองนะเจ้าค่ะเล่นเพ่งมากไปเพ่งจนเป็นเครียดมันเกร็งนะไม่ดีพยายามกระตุ้นมันตือนเตือนตืตืนตือนลงมาอย่างนี้แล้วใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมได้ไหมเจ้าคะตอนนี้ใช้ร่างกายดีกว่าร่างกายนะคะจะกระตุ้นให้หลุดจากตัวนี้ก่อนค่ะยังไม่ใช้พุทโธนะคะอกาบน้ำประการเจ้าค่ะ พุทโธน่ะจริงๆใช้เมื่อไรก็ได้นะแต่ตอนนี้แก้ตรงที่ติดเพ่งไว้ก่อนเดี๋ยวจะยอก25นวมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อใจไม่ตั้งมั่นนะคะอืมแล้วทำไมล่ะอยากให้ตั้งไหมก็อยากเหมือนกันรู้ไหมไม่รู้ค่ะก็ไปรู้ซะแล้วก็ช่วงนี้บริกรรมพุทโธก็รู้สึกว่ามันมันโอเคขึ้นนะคะก็ดีพุทโธไปเร้่อ นะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านพุทโธตลอดสายเลยนะอาจารย์มหาบัวท่านเคบอกท่านพุทโธตลอดเลยคือมันมันจะแก้การฟงซ่านด้วยใช่ไหมคะใช่คืหนูก็ลองทำพุทโธมาแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นเหมือ น, น, นอันเนี้นถูกจิตมันตั้งมั่นขึ้นค่ะถูกเอ้ <c oughs> จบยังขออีกนิดนึ่ <c oughs> <c oughs> หนูว่าตอนนี้หนูอยู่ในช่วงที่มันเบื่อเบื่อค่ะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันเป็นโทสะคือแบบว่าทั้งโลกแล้วก็การปฏิบัติธรรมมันมันเหมือนมันมันเบื่อทั้งสองันแต่เป็นให้รู้ทันไปนะให้รู้ทันไปมันก็ของไม่เที่ยงร้อยหกสิไปคนสุดท้ายอยู่นูนอยู่นูนอยู่ชิดอาสนะพระเลยนู้นรัธีการเจ้าหลวงพ่อเออหนู ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เพิ่งจะฟังซีดีของหลวงพ่อได้ประมาณ2เดือนนะคะ mm hmm. ก็เลยพอเพิ่งจะฟังได้แรกๆเนี่ยเราได้เดินจงกรมเป็นระยะเวลานาน mm hmm. พอสมควรก็มีความรู้สึกว่าเราเหมือนเรามีผู้รู้แล้วก็มีกาย mm hmm. แล้วก็เหมือนจะไปเห็นตัวอะไร แ, แล้วเขาก็พอเดินไปพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็ตบมือให้ก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้คือจิตที่เราเห็นหรือว่ามันเป็นอะไรที่เรา มันมมเป็นสังขารมันปลุงขึ้นมาเราก็มีหน้าที่รู้ไป<อ>ทุกอย่างเกิดเราดับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะไปดูแบบนี้แหละไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นดับทั้งสิ้นแหละไม่แทรกแซงไม่บังคับ<อ>ตามรู้ตามดูไปอย่างสบายสบายนะค่ะแล้วก็มีอีกอันนึ่งคือว่าในช่วงที่มีมีมีไปอยู่วัดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะสีห้าวันในช่วงนั้นก็จะมีการสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นทีนี้เนี่ยก็จะมีว่ามีอยู่เช้า ว, วันหนึ่งกําลังกินข้าวอยู่ก็คุยกับคุณกับแบบยติธรรม เสรแล้วข้างในเราก็ยังท่องอายังโหมีกายโยแบบมันทำไมมันเป็นสองแบบที่เรารู้สึกว่าเราก็พูดอยู่แต่ข้างในก็ยังท่องอยู่เออ <บะ S 2> ข้างในมันเคยชินนะส่วนไปตามความเคยชินบางคนมันร้องเพลงด้วยซ้ํำไปงั้นไม่มีความสําคัญอะไรหรอกมันเป็นยังไงให้แค่รู้ไม่ว่าอะไระเกิดขึ้นรู้ทันจิตตนเองเช่นมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งคุยไปส่วนหนึ่งสวดมนต์ไปเกิดสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรนะรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันเนี้นะ อะไรเกิดขึ้นในใจเราสดๆดร้อนร้อนรู้อนนั้นแหละค่ะนะแล้วก็มีออันนึ้งคือว่าที่ ท, ที่หนูทาอยู่ปัจจุบันนี้ถูกต้องหรือยังคะไปทาอีกนะเ้าค่ะแล้วควรจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมเจ้าค่ะชอบอะไรล่ะดูกายหรือดูจิตมันก็รู้สึกได้ทั้งนั้นบางครั้งเนี่ยตัวเองจะรู้สึกว่าเส้นเส้นเลือดเนี่ยจะเต้นตามมือตามตัวจะรู้ตลอดเลยค่ะนั่นแหละเหมะกับการดูกายก็ดูไป <Okay. S 2> แต่ดูกายไม่ใช่เพ่งกายดูกายแล้วพอจิตเคลื่อนไหวล้วก็รู้ทันนะเอากายเป็นวิหารธรรมเจเชิญกลับ<อ>บ้านไปโมทนาหน้าแต่ละคนถ้าทางแต่ละคนก็ดูพัฒนาขึ้นนะ